เพื่อนฝูงที่เขามาใกล้ก็น่ากลัวทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเป็นคนเนรและุนคนเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่จะออกไปเป็นคราวาสนะ่ะให้เป็นคนเป็นคนดีสรุปแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องดาเนินทางเดินทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพนัน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 ความดีเวลาใดนั่นแหละเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งอถ้าเราทําความชั่วแล้วจะเป็นมงคลได้อย่างไรเป็นอั ป, ปมงคลอพอทําเสร็จแล้วคนนั้นสิ่งหัวสุกหัวซุนกลัวตําตรวจจะไล่จับกลัวจะเข้าคุกเข้าตารางเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อหลักของพระพุทธศาสนาประธทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วอไม่ให้